หลวงพ่อชาท่านเล่านะคะว่ามีอยู่คราวหนึ่งท่านท่องเที่ยวทุดงไปพักที่วัดหลวงตาซึ่งอยู่ติดกับป่าช้าแล้วก็ป่าช้าที่มีสาลาเล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหลุมศพนะคะของคนตายที่ฝังเรียงรายอยู่เกลื่อนป่าหลุมฝังศพนะคะแต่และหลุมค่ะเขาจะปักป้ายชื่อคนตายไว้บางป้ายก็พังจนแทบจะอ่านชื่อป้ายไม่ออก บางป้ายก็ยังเป็นชื่อใหม่ๆอยู่นะคะคนตายที่พวกชาวบ้านนํามาฝังส่วนมากจะเป็นคนตายที่ไม่ปกติค่ะก็คือไม่ได้ตายแบบเจ็บตายแก่ตายธรรมดาแต่ว่าถ้าตายธรรมดาคือเขาก็จะเผาทันทีแต่ว่าศพที่ฝังฝัง น, นั้นเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่พวกญาติจะขุดกระดูก ข, ขึ้นมาเผานะคะบางศพค่ะญาติก็ยังไม่พร้อมป่าช้าแห่งนี้ก็เลยเป็นที่สารพัดความตายที่ไม่ปกตินะคะ วิญญาณคนที่ตายผิดปกติส่วนมากก็จะเหี้ยนเนื่องจากว่าจิตเต็มไปด้วยความอาฆาตก็เลยมีความดุร้ายสำหรับพระนักปฏิบัติแล้วนะคะป่าช้าที่มีความวิเวกวังเวงเหมาะสำหรับการเจริญสมณธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะหลวงพ่อก็เลยหลีกเร้นไปนั่งสมาธิภาวนาเพื่อพิจารณาภาวนาธรรมที่ศาลาหลังเล็กๆนั้นเสมอเพราะว่ามีลมพัดเย็นแล้วก็อากาศร่มรื่นดีนะคะ แต่ว่าวันหนึ่งค่ะขณะที่หลวงพ่อท่านนั่งปฏิบัติภาวนาอยู่บนศาลาหลังเล็กๆในป่าช้าก็มีอีกาตัวหนึ่งบินถลาลงมาจับกิ่งไม้อยู่ใกล้กันกับศาลานะคะแล้วก็ส่งเสียงร้องดังลั่นเลยแต่ว่าช่วงนั้นหลวงพ่อไม่ได้ให้ความสนใจกับกาตัวนั้นเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์ที่มีอิสระมันก็จะส่งเสียงร้องดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้หลวงพ่อให้ความสําคัญกับมัน แต่หลวงพ่อก็ทำเฉยไม่สนใจใยดีเป็นเวลานานพอสมควรค่ะมันก็เลยทนไม่ได้หรื อ, อยังไรก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกมันก็บินโฉบลงมาจากกิ่งไม้มายืนบนพื้นศาลาตรงหน้าท่านและมันก็กระโดดไปคาบเอาญ่าแห้งมาวางไว้ตรงหน้าของท่านแล้วก็ร้องเสียงดังอีกมันแสดงอาการเหมือนจะส่งญ่าให้นะคะหลวงพ่อเห็นอีกาตัวนี้มันมาแปลกท่านก็เลยมองดูมันด้วยความสนใจ เมื่อเห็นว่ามันให้ความสนใจเราให้ความสนใจกับมันแล้วเนี่ยมันก็ทิ้งหญ้าแห้งนั้นไว้จากนั้นก็โผลบินขึ้นฟ้าไปนะคะช่วงเวลานั้นหลวงพ่อท่านยังไม่ได้คิดว่า มันมาส่งข่าวบอกเหตุอะไรแต่ประการใดจะคิดก็เพียงแต่ว่ามันเป็นสัตว์ป่าไม่ประสีประสาอะไรเท่านั้นหลังจากวันนั้นผ่านไป3วันค่ะพวกชาวบ้านได้หามศพเด็กอายุประมาณ13ปีซึ่งป่วยเป็นไข้าตายนะคะเอามาเผาข้างๆศาล า, าที่หลวงพ่อนั่งปฏิบัติธรรม ก็เว้นว่างไป 3- าสวันจะเป็นอีกาตัวเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกว่ามันบินตรงมาที่ศาลาแล้วก็เกาะบนกิ่งไม้ข้างศาลาพร้อมกับส่งเสียงร้องเหมือนจะบอกข่าวให้หลวงพ่อดู้ล่วงหน้านะคะตาของมันก็จ้องมาที่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจก็ยังคงนั่งหลับตาเจริญภาวนาไปเรื่อยมันก็บินลงมายืนบนพื้นศาลาแล้วก็แสดงอาการเหมือนเดิมเหมือนที่ครั้งแรกค่ะพอหลวงพ่อหันไปดูมันก็รีบบินหายไปเช่นเคย จากนั้นไม่กี่วันชาวบ้านก็หามศพคนตายมาอีกคราวนี้เป็นพี่ชายของเด็กที่เผาไปเมื่อหลายวันก่อนเกิดป่วยกระทันหันตายตามกันไปอย่างประหลาดใจนะคะหลวงพ่อมาคิดว่าเอไอกาตัวนี้มันเป็นทูตมรณะจริงๆเพราะว่าอีก3าวันเท่านั้นมันก็บินมาส่งข่าวหลวงพ่ออีกครั้งเพียงไม่กี่วันพี่สาวของเด็กชายทั้งสองที่ตายไปก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีอันต้องป่วยตายตามไปอีก พ่อแม่ของเด็กทั้ง3คนต่างโศกเศร้าเสียใจอย่างแสนสาหัสค่ะหลวงพ่อเห็นสภาพของคนเหล่านั้นก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ท่านก็ได้น้อมเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้มาเตือนตนมีให้ประมาทแล้วก็ได้พิจารณาถึงความตายนะคะความทุกข์ความเศร้าโศกก็ย่อมเกิดจากคนที่เรารักแล้วก็หวงแหนได้จากไปสัจธรรมในป่าช้า ทำให้หลวงพ่อได้เร่งการปฏิบัติโดยเพิ่มการเจริญภาวนามากขึ้นลดเวลาในการพักผ่อนลงตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรแม้เต็มไปด้วยฝนตกหรือฟ้าร้องท่านก็ไม่เดินถอยหลังนะคะก็ยังคงเหยียบย่ำน้ำเดินจงกรมอยู่อย่างนั้น จนวันต่อมาค่ะท่านก็เกิดนิมิตว่าได้เดินไปที่สถานที่แห่งหนึ่งได้พบกันกันกบคนแก่นอนร้องครวนครางปานจะขาดใจตายหลวงพ่อก็เลยหยุดพิจารณาแล้วก็เดินผ่านไประหว่างทางพบคนป่วยหนักจนจะขาดใจตายร่างกายสูบผอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกนอนหายใจรวยรินอยู่ริมทางท่านก็หยุดพิจารณาดูแล้วก็เดินผ่านไปนะคะคราวนี้ ท่านก็ได้พบกับคนนอนตายง่ายท้องขึ้นอืดค่ะตาถลนออกมานอกเบ้าลิ้นจุก ป, ปากมีหนอนชอนชัยย้วยเยะเต็มร่างกายก็ทำให้เกิดความสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งพอหลวงพ่อตื่นขึ้นมาหลวงพ่อบอกว่าภาพนั้นมันยังติดตามไม่เคยเลือนรางคราวนี้ ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิตอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกนี้โดยเร็วจึงคิดปลีกตัวขึ้นไปทำความเพียรบนยอดเขาประมาณ15วันก็ลงมาบินทบาทสักครั้งหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจคิดหาวิธีใหม่เมื่อคิดว่าไปอยู่บนยอดเขาไม่ได้จึงทดลองอดอาหารโดยฉันวันเว้นวันสลับกันทำอยู่ประมาณ15วันค่ะ ขณะอดอาหารปรากฏว่าร่างกายนี่มันร้อนเหมือนถูกไฟเผามีอาการทุรนทุรายแทบทนไม่ได้จิตใจกระสับกระส่ายไม่สงบหลวงพ่อก็เลยเลิกลมวิธีนี้เพราะไม่ถูกกับจริตความคิดจะไปอยู่บนเขาและการทรมานตัวเองในการทำความเพียรอดข้าอดน้ำเป็นเวลาหลายวันเป็นอัญยุติลงนะคะเมื่อออกพรรษาแล้วจึงแยกกับหลวงตาแล้วก็คณะ หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้มรณภาพไปเป็นเวลานานหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าคุณงามความดีของหลวงพ่อยังไม่เคยจางหายไปจากสํานึกของบรรดาสานุสิตและก็ชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงจนบัดนี้นะคะเล่ากันว่าก่อนที่หลวงพ่อชาท่านจะตัดสินใจมาสร้าง วัดนะคะอยู่ที่หนองป่าพงในป่าแห่งนี้ค่ะมีเรื่องเล่ากันให้ขนลุกขนพองอันเนื่องมาจากวิญญาณเจ้าที่เฮี้ยนมากเลยนะคะตามที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันค่ะหลวงพ่อเองท่านก็เจอวิญญาณเจ้าที่เล่นงานมาในรูปแบบต่างๆซึ่งวันนี้จะขออนุญาตนะคะนำมาเล่าถ่ายทอดสู่ท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้นะคะ สถานที่ตั้งวัดหนองป่าพงค่ะเป็นป่าช้าที่ชาวบ้านเล่าลือกันค่ะว่าที่นี่ผีดุมากมันจะหลอกคนโน้นหลอกคนนี้บางคนถึงกับนอนป่วยกันไข้หัวโกรนเลยทีเดียวหลวงพ่อชาท่านเป็นสิทธิ์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแรกๆหลวงพ่อก็ได้ทุดงมาปักกรดอยู่ณบริเวณป่าช้าหนองป่าพงเพื่อเจริญสมณธรรมนะคะเนื่องจากเห็นว่าที่นี่เงียบสงัดดีแม้จะได้ข่าวว่าที่ป่าช้าหนองป่าพงนี้ผีดุ ท่านก็กลับไม่สนใจกับเรื่องผีๆสางๆเพราะว่าท่านได้ผ่านความกลัวผีมาแล้วนะคะถ้าเป็นนักมวยก็ต้องพูดกันค่ะว่าโดนคู่ชกเล่นมาสนวมหมดทั้งตัวทำให้จิตของท่านองค์อาจกล้าหาญไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งความตายนะคะ หลายวันผ่านไปค่ะยังไม่ปรากฏเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าได้มีญาติโยมพากันมาขอฟังเทศในทุกวันพระในวันเพ็ญเดือนเดือ น, นสี่นะคะขณะที่หลวงพ่อชาท่านก็กำลังแสดงธรรมให้แก่ญาติโยมแล้วก็สารานุสิทธิ์สาานุสิทธิ์นะคะในขณะนั้นเวลาประมาณสักไม่ถึงสองทุ่มนะคะก็มีแสงประหลาดพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินชาวบ้านก็ตกใจร้องอุทานขึ้นพร้อมกัน ก็พูดเป็นภาษาอีสานเนี่ยนะคะบอกว่าแปนแสงอีอย่างนอมันคืออัศจรรย์แท้ประมาณนี้นะคะแสงอะไรกันทำไมเป็นประหลาดจังเลยเสียงของชาวบ้านที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เริ่มนวเนียอึงอนฟังไม่เป็นสับนะคะเทศของหลวงพ่อ ก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่ามัวแต่หันไปมองแสงประหลาดที่เป็นลำแสงยาวขนาดใหญ่ซึ่งพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนมีใครเอาดวงไฟสปอตไลท์ขนาดใหญ่ฉายขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาจนสว่างสวัยไปทั่วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังพากันอุทานออกมาอย่างลืมตัวก็ยังวิพาก์วิจารณ์แสงประหลาดที่เกิดขึ้นทางทิศเหนือของวัดหนองป่าพงแสงนั้นก็ยังลอยมาอยู่เหนือยอดไม้แล้วก็เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มันลอยไปเป็นระยะไกลพอสมควรและมันก็หยุดแล้วก็เกิดการหักเหของแสงขึ้นมีลำแสงยาวนะคะพุ่งออกมาจากดวงดวงที่สว่างก็เคลื่อนไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของหนองปาพงหนองน้ำที่ไม่เคยมีน้ำจะมีก็แต่กองกอพงที่ขึ้นอยู่บริเวณที่ฝังศพคนตาย จนเวลาต่อมาค่ะหลวงพ่อชาท่านได้กำหนดเอาบริเวณที่ปรากฏแสงสว่างไว้อย่างแม่นยำครั้นต่อมาพวกชาวบ้านได้นิมนต์ท่านไปสร้างวัดท่านก็ไม่ได้ขัดข้องประการใดสร้างให้ตามที่ชาวบ้านต้องการค่ะจนกลายเป็นวัดหนองป่าพงอันเป็นวัดที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาแล้วก็วัดปฏิบัติของหลวงพ่อแล้วก็พระนในวัดจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเวลาต่อมาค่ะ บริเวณพื้นที่หลวงพ่อชาสร้างเป็นวัดเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่อื่นจะแห้งแล้งกันดานแต่ว่าที่นี่ค่ะมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็เขียวขจีสภาพความเป็นป่ายังอุดมสมบูรณ์บริเวณวัดป่ามีไก่ป่าแล้วก็สัตว์มากมายหลากหลายชนิดพวกมันจะมีความคุ้นเคยกับพระเนนเป็นอย่างดีกับแปลกแต่ว่ากับแขกนะคะที่แปลกหน้าเนี่ยมันจะคอยระแวงระวังตัวอยู่ตลอดเวลาคือ ไม่ไว้ใจประมาณนั้นตอนที่หลวงพ่อเข้าไปสร้างวัดใหม่ๆนะคะก็มีอุบาสกคนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาหนูผี อันที่จริงแกชื่อหนูค่ะแต่ที่พาเรียกว่าหนูผีเพราะว่าแกชอบศึกษาเรื่องผีแล้วก็นับถือผีเป็นที่พึ่งไม่ยอมนับถือพระพุทธศาสนาพวกชาวบ้านก็เลยพากันเติมชื่อต่อท้ายให้แกซึ่งแกก็พอใจนะคะชาวบ้านยังเล่าเรื่องอดีตของตาหนูผีเมื่อก่อนแกนับถือพระพุทธศาสนานะแล้วก็เคยบวชเรียนมาแล้วทํานองว่าบวชก็ศักิ์แต่ว่าบวชไม่ได้สนใจเรื่องที่จะศึกษาเล่าเรียนเรื่องธรรมะแกได้วิชาติดตัวมาจากการบวชคือ วิชาไล่ผีไม่กี่บทเท่านั้นเองต่อมาค่ะได้หันไปศึกษาศาสนาอื่นแต่จะด้วยเหตุผลกลใดไม่รู้แกไม่นยับถือศาสนาพุทธอีกเลยทําตัวเป็นคนนอกศาสนาอิตาหนูผีก็เคยพบกับหลวงพ่อชาเมื่อหลวงพ่อชาเทศนาให้ฟังกลับไม่สนใจในคําสอนแต่ประการใดจนในที่สุดก็ไม่ยอมเข้าวัดไม่สนใจเรื่องพระสงฆ์องค์เนนประการใดเหตุที่อิตาหนูผีเนี่ยแกหันหลังให้กับวัดเพราะว่าญาติของแกไปสื่อข่าว ผ, ผิดว่า ตาหนูผีบ่อน้าในวัดของหลวงพ่อชานะห้ามตักไปกินไปใช้นะแกอย่าไปยุ่งนะคือบอกเพียงแค่นี้เนี่ยไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลทำให้ตาหนูผีโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรีบเดินทางเข้าไปที่วัดไปต่อว่าต่อขานหลวงพ่อชาว่าทําไมหลวงพ่อจึงห่วงน้ำในบ่อไม่ให้คนอื่นนำน้ำไปกินไปใช้น้ำเป็นของหลวงพ่อหรือเป็นพระเป็นเจ้าทำไมไม่มีเมตตาห่วงแม้กระทั่งน้าในบ่อ หลวงพ่อชาเองก็งงเมื่อโดนตาหนูผีต่อว่าช็อตๆอยู่ต่อหน้าก็ปล่อยให้กล่าวหาจนสะใจาแล้วหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นว่าเจ้าฟังผิดแล้วไผบอกเจ้าจังสั้นฉันห้ามเอาครุหรือกระแปงที่ขังกบขังเขียดขังปลาขังอึ่งมาตากักเพราะมันสกรปรกทําให้น้ําในบ่อกสกรปรกที่นําไปกินไปใช้มันจะเกิดเป็นโรคได้เจ้าฟังผิดแล้วใครบอกเจ้าอย่างนั้นที่จริงแล้วฉันห้ามไม่ให้เอาที่ขังกบขังเขียด อันนี้ก็คือจะไปแลเป็นภาษาไทายให้นะคะขังปลาขังอื่นไปกินเพราะว่ามันจะเกิดโรคอ่าเมื่อหลวงพ่ออธิบายเป็นที่เข้าใจาจึงยอมรับว่าตนเองไปฟังคนที่สื่อข่าวมาผิดๆต่อมาก็ได้แวะเวียนเข้าวัดสนธนาธรรมแบบว่าจะต้องอ่าจะต้อนหลวงพ่อชาให้จนมุมแต่ว่าตาหนูเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่จนมุมเองนะคะทุกครั้งจนเป็นที่อับอายแกก็เลยไม่กล้าเข้าวัดนั่นเองค่ะ แต่ก็ทนไม่ได้เมื่อเห็นชาวบ้านพากันเข้าวัดเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวันและที่สำคัญคนต่างถิ่นก็พากันมา ห, าหาหลวงพ่อไม่เว้นในแต่ละวันเพื่อขอฟังธรรมจากหลวงพ่อชานะคะต่อมาจึงยอมรับไตรสรนคมใหม่ของหลวงพ่อชาท่านก็ให้โอกาสใหม่คราวนี้ค่ะตาหนูผีไม่เข้าวัดธรรมดาเหมือนคนอื่นสเสมอไลแกเข้าไปอาศัยนอนบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้อาศัยร่มเงาได้ วันแรกที่ตาหนูผีเข้าไปอาศัยนอนในวัดก็เจอดีทันทีค่ะขณะที่แกกำลังหลับเพลินๆเลยอยูยูค่ะแคร่ไม้ไผ่ที่แกนอนอยู่ก็ลอยสูงขึ้นและลอยไปมาบริเวณนั้นทีนี้แกรู้ตัวก็ไม่รู้จะลงยังไงมันลอยขึ้นไปได้ยังไงอัศาจรรย์มากแกบอกแบบนี้เพราะว่ามันลอยเคว้งอยู่กลางอากาศ ขืนขยับตัวแรงก็จะตกจากแคร่ไม้ซึ่งลอยอยู่เหนือพื้นดินอยู่สูงหลายเมตรแข้งขาก็จะหักเอาแกก็เกาะแน่นปล่อยให้มันลอยไปมาอยู่อย่างนั้นโดยที่แกพยายามจะให้มันลงไปสู่พื้นดินมันก็ไม่ยอมลงสักทีเอาละสีทีนี้เกิดอะไรขึ้นจะว่าตัวเองฝันหรือเปล่าก็ไม่ใช่เอามือหยิบแขนตัวเองก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่มันไม่ได้ฝันแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะบทมันจะลงมันก็ลงของมันเอง พอแคร่ไม้นั้นแตะลงถึงพื้นดินก็มีความรู้สึกว่าเนื้อตัวเนี่ยมันคันยุบยับยุบยับจะนอนก็นอนไม่หลับนอกจากคันแล้วพวกยุงก็ยังมาแจมอีกคือเก่าจนเลือดไหลซิปมันก็ยังไม่หายคันครั้นจะกลับบ้าน ก็อยู่ห่างจากวัดหนองป่าพงหลายกิโลเมตรทั้งเปลี่ยวแล้วก็เต็มไปด้วยอันตรายในยามค่าคืนทางบ้านลูกเมียของตาหนูผีเองก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นสร้างความโกลาหลไปทางบ้านค่ะเมื่อภรรยาของตาหนูผีเปิดประตูห้องนอนตาหนูผีเข้าไปถึงกับกรีดลั่นบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าที่ห้องนอนของตาหนูผีเนี่ยมันมีงูเหลือมยักษ์ตัวหนึ่งยาวหลายเมตรนอนขดอยู่บนที่นอนของตาหนูผี นอกจากงูเหลือมยักษ์เข้าไปนอนขดอยู่ที่นอนแล้วพวกหมูหมากาไก่วัวควายที่อยู่ใต้ถุนบ้านก็พากันส่งเสียงร้องประสานเสียงกันตลอดทั้งคืนเหมือนมันได้เห็นอะไรสักอย่างเข้ามาในบริเวณบ้านมันก็เป็นเรื่องประหลาดนะคะคุณผู้ฟังที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภรรยาเขาก็อุทานว่ามันเกิดอาเพศอะไรขึ้นชาวบ้านก็ต่างหวาดกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้น เสมือนว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายหรือว่าเหตุอะไรที่ไม่ดีสักอย่างหนึ่งค่ะก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจนกระทั่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งชาวบ้านโดยเฉพาะตาหนูผีนะคะก็รู้ว่าเหตุการณ์ในคืนวันนั้นเกิดจากพวกวิญญาณที่ตาหนูผีเนี่ยเคยนิยมชมชอบแล้วก็เลี้ยงดูด้วยเครื่องเส้นมันเกิดไม่พอใจค่ะที่ตาหนูผีไปยึดเอาพระตรัตนตรายเป็นที่พึ่ง แล้วก็ทอดทิ้งไม่ใส่ใจปล่อยให้พวกวิญ ญ, ญาณอดอยากก็เลยพากันออกอาราวาสเต็มที่ต้านหนูผีก็เลยไปคุยกับหลวงพ่อค่ะบอกว่าหลวงพ่อครับพวกวิ ญ, ญญาณที่ผมเคยนับถือพวกมันกําลังอาราวาสในหมู่บ้านอย่างหนักจะให้ผมทําอย่างไรหลวงพ่อช่วยแก้ไขทีขืนปล่อยไว้พวกชาวบ้านขวัญ น, นี้ดีฝ่ออาจจะทิ้งบ้านช่องให้เป็นหมู่บ้านร้างก็ได้หากไม่รีบหาทางแก้ไขหลวงพ่อก็บอกเอาใจเย็นๆว่ามีอีหยังดอก เอาเป็นว่าตาหนูผีก็ต้องเรื่อมใสในภาษาศาสนาแล้วก็ยืดไตาอตาไตซาและนคข่มเป็นที่พึ่งย่างจริงจังยาหลกักมันคงกับพวกผีพวกวิญญาณปลาทั้งหลายมันกับศีรษามาแตะต่องต่อแย่ดอกอันนี้ก็หลวงพ่อเขาพูดเป็นภาษาอีสานนะคะตานหนูผีก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะกับหลวงพ่อค่ะ บอกว่าจะปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำทุกอย่างเมื่อตาหนูผีทาตามที่หลวงพ่อแนะนำปรากฏนะคะว่าผีทั้งหลายที่ตนเองเคยนับถือเป็นที่พึ่งก็ไม่มารบกวนอีกเลยต่อมาหนูผีก็เลยกลายเป็นกําลังสําคัญอีกคนหนึ่งของวัดหนองป่าพง สำหรับเรื่องราวขนหัวลุกนะคะในวัดหน้องป่าพงนั้นแต่ก่อนที่นี่เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นวัดที่ผีดุพวกชาวบ้านได้เจอผีสองตนปรากฏกายหลอกชาวบ้านให้ขวัญห น, นีดีฟอร์บบ่อยมากเมื่อเข้าไปในบริเวณวัดในยามค่ำคืนค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นวิญญาณของใครนะคะ ต่างก็เดาเอาค่ะว่าเป็นวิญญาณของเจ้าที่หรือว่านายป่าช้าเพราะแม้แต่หมอธรรมและก็หมอผีที่เก่งที่สุดในแถบนั้นที่พวกชาวบ้านไปจ้างมาขับไล่ผีสองตนที่วัดหนองป่าพงต่างก็เพ่นนีออกนอกบริเวณวัดกลางดึกแถมยังกลายเป็นคนเสียสติอีกต่างหาก ท่านเจ้าคุณพระชินวงศาาจารย์แห่งวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาเมื่อครั้งที่ท่านเดินทุดงมาปักหลดที่หนองป่าพงท่านยังเคยเผชิญหน้ากับเจ้าที่หนองป่าพงมาแล้วท่านเจ้าคุณนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่า มันมีวิญญาณสองตนที่วัดหนองป่าพงวิญญาณตนแรกเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้เมื่อตายไปแล้วก็ยังเป็นห่วงจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิดวิญญาณตนนี้ชื่อเท้าด่างเป็นคนอพยพมาจากฝั่งลาวเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของที่ดินทําไร่ทํานาจนกระทั่งเสียชีวิตที่หนองป่าพงวิญญาณดวงนี้จะไม่ยอมไปไหนวนเวียนอยู่ในที่ดินแห่งนี้ใครลุกล้าเข้าไปเป็นต้องโดนอารวาสเล่นงานขับไล่ด้วยวิธีต่างๆอย่างรุนแรง ส่วนวิญญาณอีกดวงหนึ่งนั้นท่านเจ้าคุณเล่าว่าไม่ใช่วิญญาณเจ้าที่แต่ว่าเป็นวิญญาณของผีตายโหงที่ชื่อว่านายวนนายวนคนนี้เดินทางผ่านมาที่หนองป่าพงและนอนค้างแรมตกกลางคืนโดนจนบุกปล้นแล้วก็ฆ่าชิงทรัพย์พร้อมกับฝังศพทิ้งไว้ที่หนองป่าพงจนกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเป็นผีไรญ า, าติ วิญญาณเท้าด่างซึ่งเป็นเจ้าของท้องที่เห็นเป็นวิญญาณเร่ร่อนจึงรับไว้เป็นบริวารไปไหนก็ไปด้วยกันและก็ชอบปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นอยู่บ่อยเมื่อหลวงพ่อชามาปักกลดก็ได้แสดงธรรมเทศนาโปรโดพวกญาติโยมวิญญาณของเท้าด่างและก็วิญญาณของนายวนที่อยู่บริเวณนั้นก็พอได้รับบุญกุศลที่บรรดาญาติโยมและก็หลวงพ่ออุทิศไปให้ด้วย จนต่อมานะคะชาวบ้านได้พากันขอให้หลวงพ่อชานี้สร้างขึ้นต่าสร้างวัดขึ้นบริเวณที่ดินวัดหนองปากพงปัจจุบันเพราะว่าเป็นสถานที่เงียบสงัดเหมาะในการปฏิบัติธรรมที่สุดค่ะเมื่อวิญญาณของเท้าด่างซึ่งเป็นเจ้าของรู้เข้าจึงสำแดงอำนาจ เพื่อให้รู้ว่าตนเองมีจิตอนุโมทนาที่จะให้มีการสร้างวัดบนที่ดินซึ่งตนเองเป็นเจ้าของเหมือนกันสําหรับนายวนก็จะได้กุศลเพราะว่าศพของแกก็ยังฝังอยู่ใต้ดินในวัดหนองป่าพงด้วยดังนั้นบารมีธรรมจากหลวงพ่อชาก็เลยทําให้ปีศาจร้ายทั้งสองตอนยอมสยบและก็ยอมให้หลวงพ่อสร้างวัดเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปทุกวันนี้วิญญาณของเท้าด่างและก็นายวนไปผุดไปเกิดหรื อ, อยังก็ไม่รู้นะคะหากท่านทั้งหลายมีโอกาสไป นองปะพง์ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีลองสอบถามพวกพระเนรชีที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ดูนะคะว่าวิญญาณสองดวงนี้แวะมาทักทายหรือมาร่วมเดินจงกรมบ้างหรือไม่